เรื่องการถือเอาของฝากโดยวิสาสะและการอธิษฐานเป็นจีวรมรดกกรณีที่หนึ่งฝากไปด้วยสั่งว่าท่านจงถวาย378พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับภิกษุด้วยสั่งว่าท่าน จงถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางภิกษุผู้รับฝากถือเอาจีวรเองเพราะวิสาสะกับภิกษุผู้รับนั้นอย่างนี้ชื่อว่าถือเอาดีแต่ถือเอาเพราะวิสาสะกับผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ดีภิกษุทั้งหลาย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 แต่ถือเอาเพระวิสาสะกับผู้ฝากชื่อว่าถือเอาถูกต้องภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุรับฝากจีวรไปกับภิกษุด้วยสั่งว่าท่านจงถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางภิกษุผู้รับฝากได้ทราบข่าวว่า ผู้ฝากมรณภาพเสียแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝากนั้นอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องแต่ถือเอาเองเพราะวิสาสะกับผู้รับชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับภิกษุ ด้วยสั่งว่าท่านจงถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางภิกษุผู้รับฝากได้ทราบข่าวว่าผู้รับมรณภาพเสียแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้รับนั้นอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้อง แต่ถือเอาพระวิสาสะกับผู้ฝากชื่อว่าถือเอาถูกต้องพิกษุทั้งหลายในกรณีนี้พิกษุฝากจีวรไปกับพิกษุด้วยสั่งว่าท่านจงถวายจีวรผืนนี้แก่พิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางพิกษุผู้รับฝากได้ทราบข่าวว่าผู้ฝาก และผู้รับทั้งสองมรณภาพเสียแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝากอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้รับชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องกรณีที่สองฝากไปด้วยกล่าวว่าผมขอถวาย ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับภิกษุด้วยกล่าวว่าผมขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางภิกษุผู้รับฝากถือเอาเองพระวิสาสะกับผู้ฝากอย่างนี้ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องแต่ถือเอาพระวิสาสะ กับผู้รับชื่อว่าถือเอาถูกต้องภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับพิกษุด้วยกล่าวว่าผมขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางภิษุผู้รับฝากถือเอาเองเพราะวิสาสะกับผู้รับอย่างนี้ชื่อว่า ถือเอาถูกต้องแต่ถือเอาเพราะวิสาสะกับผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับภิกษุด้วยกล่าวว่าผมขอถวายจีวรผืนนี้แก่พิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางภิกษุผู้รับฝากได้ทราบข่าวว่า ผู้ฝากมรณภาพเสียแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝากนั้นอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องแต่ถือเอาเองพระวิสาสะกับผู้รับชื่อว่าถือเอาถูกต้องภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับภิกษุด้วยกล่าวว่า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 ถือเอาไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุฝากจีวรไปกับพิษุด้วยกล่าวว่าท่านจงถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ในระหว่างทางพิษุผู้รับฝากได้ทราบข่าวว่าผู้ฝากและผู้รับทั้งสองมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝากอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้รับชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง